แสดงว่าเขามีฮะใช่วย า, อ, ญญาอยู่ที่นี่แล้วม้ครับ <c oughs> เขาก็ชอบเพราะว่าก็บอกให้เขาอยู่ไปเรื่อยๆก่อนไว้ให้ให้มีความแน่ใจมั่นใจก่อนพระเวลามันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้ก็ให้ ให้มุ่งไปที่การปฏิบัติให้ปฏิบัติให้มากเจริญสติให้มากนั่งสมาธิให้มากพิจารณาให้มากแล้วจิตก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆส่วนเรื่องการจะบวชไม่บวชนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มัน ไม่สำคัญคือถ้าใจมันบวชแล้วมันจะห่มเหลืองไม่ห่มเหลืองมันก็ไม่มีความแตกต่างกันทางสำหรับทางด้านจิตใจแต่สำหรับทางด้าน ก, ร า, า, นการอยู่การอะไรก็อาจจะดีถ้าได้บวชแต่ถ้ายังไม่มีความมั่นใจแน่ใจ ก็อย่าเพิ่งบวชคือตอนนี้ให้ดูใจทดสอบใจไปเรื่อยๆก่อนให้อยู่ไปก็อยู่และปฏิบัติกับเหมือนตอนที่บวชนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันตอนไปพาไปบินระบาทเขาก็เดินตามไปช่วยทายบารกลับมาที่ศาลาก็ามาช่วย จัดอาหารอะไรต่างๆแล้วก็เวลาพัะฉันเขาก็รับประธานอานา mm hmm. พอเสร็จ mm hmm. ก็เก็บกว่าสาราก็ช่วยกันทำเสร็จ mm hmm. แล้วก็กลับขึ้นมา mm hmm. ไปอยู่ตามที่พักของตน mm hmm. ไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิบ่ายๆก็ลงมาดื่มน้ำปานะ ช่วยผ้าปอดกว่าลานวัดอะไรต่างๆก็ทําเหมือนกันหมดกิจวัตรก็เหมือนกับผ้าทุกอย่างฉันจะว่าบวชแล้วไม่บวชมันก็ไม่แตกต่างกันสําคัญที่การปฏิบัติถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติสูอพวกที่ไม่ได้บวชแต่ปฏิบัติไม่ได้ ถ้าบวชแล้วไม่รู้จักคําว่าภาวนาก็ไม่รู้ว่าบวชมาเพื่ออะไรพราะศาสนานี้เป็นศาสนาที่เน้นที่การภาวนาเพราะว่าการภาวนาเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวร การภาวนาเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลนผิพพานได้การภาวนาเท่านั้นที่จะทำให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่ได้ภาวนาแล้วจะไม่สามารถที่จะทาได้ ดังนั้นไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวชถ้าไม่ได้ภาวนาก็จะไม่ได้รับประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันถ้าภาวนาถึงแม้จะไม่ได้บวชก็จะได้รับผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกัน ก็คือการบรรลุมากผลนผิพพานนี่เองเรื่องของการบวนี่มันเป็นเรื่องที่จะตามมาในภายหลังในสมัยพระพุทธกาลนี่มีผู้บรรลุมากผลนผิพพานก่อนแล้วค่อยขอบวชความจริงก็เป็นนักบวชมาแล้ว เพียงแต่ว่าไม่ได้บวชตามที่ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเช่นเป็นนักบวชบา เ, เพ็ญพรตต่างๆบาเพ็ญศีลแล้วก็นั่งสมาธิแต่ไม่ได้เข้าถึงขั้นปัญญา พอได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้นําเอาคําสอนนี้มาสอนใจมาปฏิบัติใจจนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็อขอบวชบวชเป็นพระในบรวรพระพุทธศาสนา ขอบวชกับพระพุทธเจ้าเริ่มต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีไม่มีสาวกตอนที่ตัสรุใหม่ๆนี้สาวกที่เคยมีอยู่ห้ารูปคือพระปัญจวัคคีก็ไม่ได้ติดตาหรอกอุปธรรมอุปถ า, ปถาแยกทางกันไปทรงตัสรุด้วยตา ด้วยตามลำพังไม่มีใครห้อมล้อมหลังจากที่ได้ตัดสรุแล้วก็นำเอาความรู้ที่ได้ส่งตัดสรลนี้มาสอนให้แก่พระปัจจวัคคีพอพระปัญจวัคคีได้ยินได้ฟังก็นำมาไปปฏิบัติ คนได้บรรลุมากผลนิพพานเป็นพระอาหารหันต์กันก็ได้ขอบวชกับพระพุทธเจ้าขอเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าตอนอย่างนั้นก็สรงไปโปรดบรรดานัก บ, บวชตามสำนักต่างๆพอได้ฟังธรรมได้บรรุธรรมก็ขอบวชกัน ดังการบวดนี้ก็เป็นเพียงแต่การสแสดงเจตจำนงว่าจะดำเนินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ดำเนินมาแล้วได้พบกับผลอันประเสริฐมาแล้วจึงอยากจ ะ, สะแสดงความ จริงใจต่อคำสอนอนประเสริฐของพระพุทธเจ้าและวิธีการปฏิบัติที่เลิศที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย น, นการบวชในสมัยพระพุทธกาลก็เป็นการบวชหลังจากที่ได้บรรลุกันในช่วงแรก ต่อมาก็มีการขอบวชกันโดยที่ยังไม่ได้บรรลุเพียงแต่ว่าพอได้ยินได้ฟังคำสอนก็เกิดศรัทธาก็ขอบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เพราะชีวิตของ คารวาผู้ครองเรือนจะมีภารกิจมากจะมีเรื่องรายเรื่องราวมากมีความวุ่นวายรบกวนใจมากทำให้การบาเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นไปได้ายากถ้าอยากจะบาเพ็ญจิตตภาวนาอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลผนิพพานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วก็จำเป็นจะต้องออกบวชกันอันนี้เป็นเรื่องของเหตุผลของการออกบวชการออกบวชนี่ก็เพื่อที่จะได้มีเวลามาบำเพ็ญจิตธภาวนากันอย่างเต็มที่นั่นเอง ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องภารกิจการงานต่างๆของข้ า, าราาที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองและของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ต้องเสียเวลากับการไปหาความสุข ทางตาหูจมูกเล่นกายที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขกรอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเป็นเงาตามตัวทังนั้นการบวชจึงเป็นการออกจากกราานี้เอง คือการไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์จะหาความสุขจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาคือส ม, มะถะภาวนาในเบื้องต้นเพื่อทําจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบมีความสุขมีความอิ่มมีความพอ ก็จะมีกําลังที่จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อจะได้รักษาความสงบให้อยู่อย่างถาวรเพราะถ้าไม่มีวิปัสสนาภาวนาเวลาออกจากสมถภาวนาออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาที่ถูกอำนาจของ สมถะภาวนากดไว้ก็จะออกมาแสดงตัวเวลากิเลสตัณหาแสดงตัวก็จะทำลายความสงบความสุขที่ได้จากความสงบถ้าอยากจะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบ ก, ก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาสิ่งที่จะกำจัดกิเลสตัณหาได้ก็คือวิปัสสนาภาวนา ความการรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงว่าความทุกข์นี้เกิดจากติเลตันหาความโลภความอยากต่างๆและสิ่งที่ติเลตันหาโลภอยากได้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอไม่ได้ให้ความสงบแต่กลับจะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจ เพิ่มมากขึ้นไปเพราะสิ่งที่ความโลภความอยากอยากได้นี้เป็นอันนี้จังไม่เที่ยงได้มาเดี๋ยวเดียวก็เปลี่ยนไปของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าไปพอของใหม่กลายเป็นของเก่าไปความสุขที่ได้รับจากของใหม่ก็หมดไปของเก่าก็ไม่สามารถให้ความสุข ได้เหมือนกับของใหม่เช่นรถยนต์ที่ซื้อมาใหม่ๆก็จะให้ความสุขกับผู้ขับรถเพราะจะสามารถทำอะไรทุกอย่างตามความต้องการของคนขับรถได้แต่พอใช้ไปใช้ไปพอรเริ่มเก่าลงก็มีสภาพที่สมุดชุดโทรม ชำรุดสุดโรมตามมาก็จะไม่สามารถทำตามความสั่งของคนขับรถได้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าของที่ได้มามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีการเจริญมีการเสื่อมเวลาได้มาใหม่ๆก็ใช้งานได้ดีทุกประการ พอใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มชำรุดสูญไม่สามารถใช้งานได้ตามที่เคยได้ใช้งานมาอันนี้เป็นตัวอย่างของอความไม่เที่ยงของความทุกข์ที่เกิดจากความไม่เที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้จะไปกําหนดจะไปสั่งว่าไม่ให้เกิดในตอนนี้ก็ไม่ได้ ถึงเวลาเขาจะเสียเขาก็เสียขึ้นมารถใหม่ๆซื้อมาใหม่ๆก็เสียได้เพราะไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครไปสั่งไปรับประกันได้ว่าจะไม่เสียอันนี้ก็เรื่องของอนัตตาคือไม่มีใครไปกําหนดได้ว่าจะดีไปตลอดจะไม่เสีย จะให้ความสุขไปตลอดถ้าเห็นความจริงอันนี้ในสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้ก็จะหยุดความอยากหยุดกิเลสตัณหาได้พอหยุดกิเลสตัณหาได้ความความความอยากหายไปความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปใจก็จะกลับสู่ความสงบ เหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิอันนี้เป็นการรักษาความสงบที่ได้จากสมถ ภ, ภาวนาด้วยการใช้วิปัสสนาภาวนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะควบคุมบังคับ ให้เป็นไปตามความต้องการได้เสมอไปอันนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนาภาวนาถ้ามีวิปัสสนาภาวนามีความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเกิดการบรรลุธรรมขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปขั้นสิกิดาคามีขั้นอนาคามีจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ ก็เกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมต่างๆที่จิตไปหลงยึดติดหลงอยากได้อยู่อันนี้แหละเป็นเป็นการภาวนาเป็นการงานของนักบวช นักบวชนี้ไม่มีหน้าที่การงานอย่างอื่นมีหน้าที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาคำสอนที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติคำสอนที่ทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานี้อันนี้แหละเป็น เป็นงานของนักบวชหรือเป็นงานของผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเป็นงานของผู้ที่ปรารถนาความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรถ้ายังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยังมีความผูกพันอยู่ กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นการหาหรือเป็นการใช้หรือเป็นการดูแลรักษาก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะรักษาศีลหรือบำเพ็ญภาวนาได้อย่างคล่องตัวถ้าทำได้ก็ทำเป็นพอหอมปากหอมคอถ้าต้องการที่จะทำได้อย่าง เป่งที่ก็จาเป็นที่จะต้องสละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองไปให้หมดเพื่อจะได้ไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาเงินทองใช้เงินทองดูแลรักษาเงินทองถ้าไม่มีภาระเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแล้ว การรักษาศีลก็จะรักษาได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะภาวนาได้อย่างเต็มที่นี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ที่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยนั้นสละกันไปหมดเพื่อจะได้ออกบวชเพื่อจะได้รักษาศีลอย่าง เป็นที่และภาวนาการอย่างเป็นที่การทำอย่างนี้จะทำแบบนักบวชก็ได้หรือทำในในในฐานะของฆราวาสก็ยังก็ทำได้เช่นเป็นฆราวาสยังไม่ได้บวชก็ไปอยู่วัด แล้วก็ไปไปปฏิบัติเหมือนกับนักบวชปฏิบัติกันไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องภารกิจทางเรื่องทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเรื่องการหาทรัพเรื่องการใช้ทรัพเรื่องการดูแลรักษาทรัพตัดไปเลยไม่สนใจดีมากมีน้อยก็จะปล่อยที่ไมื่อยเฉยๆก็ได้ หรือจะยกให้คนอื่นไปก็ได้แต่จะไม่ไปให้ความสำคัญจะไม่ให้ไปจะไม่ไปสนใจจะให้ความสำคัญต่อการรักษาศีลต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้าได้เข้าไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจ ทุ่มเทเวลามเวลาให้กับการภาวนาการภาวนาที่จะเกิดผลขึ้นมาได้ก็จำเป็นจะต้องจเจริญสติเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะสติจะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิคือความสงบแล้วพอมีความสงบแล้วก็จะสามารถมี ดวงตาเห็นธรรมได้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมต่างๆได้ดังนั้นพอได้เริ่มต้นปฏิบัติแล้วทรรมที่ต้องปฏิบัติก็คือการเจริญสติดังที่ได้ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสี่ในสติปัฏฐานสี่นี้มีการ เจริญสติเพื่อทําใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็เจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาในเบื้องต้นทรงสอนให้เจริญสติเพื่อทําใจให้สงบก่อนโดยการไปนั่งตามโคนไม้ไปนั่งตามสถานที่ที่สงบสงบัดแล้วก็ มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปณะสติหรือกายคตาสติลมหายใจนี่ก็อยู่ที่ร่างกายการดูลมนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญกายคตาสติก็ได้หรืออานาปณะสติก็ได้คือให้มีสติอยู่กับร่างกายร่างกายส่วนที่ เป็นลมหายใจเข้าออกอก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกไปเพื่อควบคุม บ, คบังคับไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆใจจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความอุเบกขาได้จำเป็นจะต้องระ ง, งับความคิดตรงแต่งต่างๆการที่จะระงับความคิดตรงแต่งต่างๆได้ ใจต้องจดจอ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปบังคับลมปล่อยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเพียงแต่ให้ใจเฝ้าดูลมอย่างเดียวเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆลมหายใจจะหายใจสั้นหรือหายใจยาวก็ให้รู้ตามความจริง หายใจหยาบหรือลมหายใจละเอียดก็ให้รู้ตามความจริงลมหายใจหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปให้รู้เฉยๆไม่ต้องมีปฏิกิริยาต่อลมหายใจเพื่อให้ใจได้สักแต่ว่ารู้นั่นเองไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งกับเรื่องราวต่างๆถ้าเฝ้าดูลมไปได้เรื่อย ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอรวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะไม่สนใจกับลมปล่อยใจจะรวมเข้าสู่ความว่างสู่ความสงบสู่ความเป็นอุเบกขาสู่ความเป็นสัต์แต่ว่ารู้ถ้าได้เข้าไปถึงในจุดนั้นแล้วก็ การเจรนอนาปานสติก็ถือว่าสำเร็จแล้วไม่ต้องดูลมตอบไม่ต้องดูลมแล้วตอนนั้นจิตสงบแล้วไม่คิดตรงแต่งแล้วจิตมีความว่างมีความเย็นมีความสุขแต่พอออกจากความสงบมาก็จำเป็นจะต้องควบคุมจิตต่อไปควบคุมไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ก็ให้ใช้การเฝ้าดูร่างกายเป็นงานของใจคือพอลืมตาขึ้นมาพอจะลุกขึ้นมาเดินมายืนมาเดินมาทำภารกิจอะไรต่างๆก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับภารกิจต่างๆเหล่านั้นไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอนดีตก็ดีหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเรื่องที่จะเกิดขึ้นไปภายในอนาคตเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เรื่องของสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ไม่ต้องไปคิดให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบทของการเคลื่อนไหวหรือในทุกอิริยาบทของการกระทำ เช่นกำลังเดินก็เฝ้าดูการเดินไปกำลังทำภารกิจอะไรต่างๆเช่นปัดกวาดเดินบินธบาตซักผ้าซักจีวรสงน้ำอาบน้ำขบชันรับประทานอาหารอันนี้ให้มีสติเฝ้าอยู่กับการกระทําของร่างกายไป จนกว่าจะมีเวลาว่างก็กลับมานั่งคัดสมาบับตาแล้วก็จเจริญอนาปะนสติต่อไปให้จิตดวงเข้าสู่ความสงบ พ, พอจิตออกจากความสงบแล้วก็ให้จเจริญพิจารณาความจริงของร่างกายต่อไปถ้าอยากจะพิจารณา ถ้ายังไม่อยากพิจารณายังอยากจ ะ, จะเจริญสติเหมือนที่เคยทามาก็ทำต่อไปก็ได้แต่ถ้าอยากจะก้าวหน้าคืออยากจะไปไกลกว่าขั้นของสมาธิก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาความจริงของร่างกายเช่นอะไรคือความจริงของร่างกายก็คืออาการสามสิบสอง นี่ก็คือความจริงของร่างกายพิจารณาว่าร่างกายนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างก็มีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับทั้งผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันก้น น้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูกนี่คืออาการสามสิบสองที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายพิจารณาดูแต่ละอาการไปจนเห็นชัดเจนตลอดเวลาเวลาเห็นร่างกายของของตนเองก็ดีของผู้อื่นก็ดีก็จะเห็นอาการสามสิบสอง เห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในการเห็นร่างกายแบบนี้ก็เพื่อที่จะได้ไม่หลงว่าร่างกายนี้สวยงามน่ารักน่าอยู่ใกล้ชิดถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าไม่สวยงามร่างกายเป็นสิ่งที่มีส่วนที่สกปรกที่ถูกขัดถ่ายออกมา อยู่ตลอดเวลาพิจารณาเพื่อจะได้ต้านกระแสของกามอารมณ์ของกามาราคะของกามปัญหา<ม>ถ้าไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายถ้าไม่เห็นความสกขสงของร่างกายก็จะหลงคิดว่าร่างกายนี้น่ารักน่าสวยงามน่าเอามาครอบครอง น่าเอามาอยู่ด้วยอันนี้เป็นการาจเจริญปัญญาเพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากกามอารมณ์เพราะถ้าเวลาเกิดกามอารมณ์แล้วนี้ถ้าไม่ได้เสกกามก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้คนที่ยังต้องมีคู่ครอง มีสามีมีภรรยาก็เพราะว่าสู้การมลลมไม่ได้เวลาเกิดการมลลมแล้วอยู่คนเดียวรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเดียวดายรู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวล่ต้องมีคู่ครองมาดับการมลลมนี้แต่การมลลมนี้ไม่ดับจากการที่มีคู่ครอง ดับก็ดับเพียงชั่วคราวหลังจากที่ได้เสพการไปแล้วแต่พอทิ้งไประยะสักระยะหนึ่งการอารมนี้ก็จะกลับเืิมาใหม่ก็ต้องเสพใหม่ถ้าไม่เสพก็จะวุ่นวายจะทุกทรมานใจ ถ้าเห็นว่าการมีการเสพการอารมณ์นี้เป็นทุกข์เป็นปัญหาและต้องการที่จะแก้ปัญหานี้ก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาความจริงของร่างกายพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามร่างกายนี้สกปรกด้วยการพิจารณาเข้าไปดูอาการต่างๆภายใต้ผิวหนัง เป็นดูนื้อเกระดูกกระดูกก็ตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงไปถึงถึงเท้าร่างกายนี้มีโครงกระดูกเป็นเหมือนโครงสร้างถ้าไม่มีโครงกระดูกนี้ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นเหมือนแมงกระพุนที่สามารถยืนเดินไปไหนมาไหนได้ก็เพราะมีโครงกระดูกนี่เอง ถ้าไม่มีครองกระดูกก็ต้องไหลไปในน้ำเหมือนกับแมงกระพุณอันนี้พิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงเพื่อจะได้แก้ความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายสวยงามน่ารักน่าชื่นชมยินดีน่ามีเอาไว้เป็นเครื่องดับการอารมณ์ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะสามารถที่จะ ดับการมารมได้หรือจะใช้การพิจารณาดูเวลาความจริงอีกอย่างหนึ่งก็ได้อีกลักษณะหนึ่งคือดูเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วว่ายังน่ารักยังสวยงามอยู่หรือไม่เช่นให้พิจารณาซากศพสิ็์ลักษณะด้กันในสมัยพุทธกาลนี้เวลาคนตายนี้ ตายไปแล้วศพเขาไม่ได้เอาไปเผาหรือเอาไม่ได้เอาไปฝังเอาไปทิ้งไว้ในป่าชาพระที่ต้องการที่จะดับการมลลมต้องการจะเห็นความจริงของร่างกายที่เวลาตายไปแล้วว่าเป็นอย่างไรก็จะเข้าไปเยี่ยมป่าชาไปดูซากศพที่มีลักษณะตา่ตาง ศพที่ตายใหม่ศพที่ตายไปแล้วสามวันห้าวันเจ็ดวันศพที่ถูกถูกสั์กัดต่อยถูกถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยถูกแง้งถูกกาถูกสุนัข ก, กัดกินให้มองเห็นความไม่สวยงามของร่างกายให้เห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไร ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วการอารมณ์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาอันนี้เป็นการเจริญสติเจริญปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาคือความทุกข์ใจที่เกิดจากการอารมณ์นอกจากการอารมณ์แล้วก็ยังมีปัญหาที่เกิดจากการเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าร่างกายนี้มีตัวตน เห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราอันนี้ก็ส่งสอนให้แยกอาการสามสิบสองไว้เป็นกองกองเอาแยกผมไว้กองหนึ่งขนไว้กองหนึ่งเล็บไว้กองหนึ่งฟันไว้กองหนึ่งหนังไว้กองหนึ่งเนื้อไว้กองหนึ่งเอ็นไว้กองหนึ่งออกระดูกไว้กองหนึ่งหัวใจตับพังผืดตายปอด อาการต่างๆแยกกันออกมาแยากวางไว้เป็นกองๆแล้วลองไล่ถามดูว่ามีอะไรบ้างที่เป็นตัวเราของเราผมนี่เป็นตัวเราหรือขนนี่เป็นตัวเราหรือเล็บนี่เป็นตัวเราเลยก็จะเห็นเลยว่ามันไม่มีตัวเราอยู่ในอาการสามสิบสองมีเพียงแต่อาการสามสิบสองเช่นผมขนเล็บฝันนี้เท่านั้น แล้วก็ลองเอาไฟเผาดูเผาอาการทั้งสามสิบสองนี้ไปให้หมดแล้วดูว่าจะเหลืออะไรก็เหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกที่ไฟไม่ได้ไหม้ไม่ไม่หมดอันนี้ก็จะเห็นว่าก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟนี่เองร่างกายอาการสามสิบสองนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลย เวลามาก็มาม า, มาทางอาหารมาทางน้ำที่ดื่มมาทางอากาศที่หายใจเข้าไปไฟก็เกิดจากการทำงานของอาหารของธาตุสี่ของของอาหารที่เป็นธาตุสี่ทำให้ร่างกายมีอาการอบอุ่นความอบอุ่นนี่ก็เรียกว่าธาตุไฟ พิจนารณาอย่างนี้ก็จะสามารถทําลายความเห็นผิดเป็นชอบที่เรียกว่าสักายะทิฏฐิว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราได้จะเห็นว่าเป็นเพียงดินน้ําลมไฟไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในร่างกายสัตว์เขาก็มีอาการสามสิบสองเหมือนกับมนุษย์มนุษย์ก็มีอาการสามสิบสองเหมือนกัน เป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองไม่ใช่เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นหญิงไม่ได้เป็นชายไม่ได้เป็นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดาญาสนิทมิตรสหายเป็นอาการสามสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟที่จะต้องแยกสลายกลับคืนสู่ทามเดิมของเขา ร่างกายนี้ในที่สุดก็จะมีการแยกสลายไปดินก็จะไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำลมก็ไปสู่ลมไฟก็กลับคืนสู่ไฟไปเป็นการเล่นกลของธรรมชาติของดินน้ำลมไฟหลอกจิตที่ไม่มีปัญญาให้หลงไปยึดไปติดไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราจิตเป็นผู้มา คอบของร่างกายนี้มาสายร่างกายนี้อยู่แต่ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวจิตแท้เองพอเกิดการแก่การเจ็บการตายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะจิตไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองที่เป็นปัญหา แต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสามสิบสองไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในร่างกายนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่ในร่างกายนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีลูกอยู่ในร่างกายนี้เป็นเหมือนกันหมดทุกคนเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสอง ใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้ไม่หลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราเวลาร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่มีความทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายความเจ็บของร่างกายก็ต้องใช้การเจริญ เ, เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาคือต้อง พิจารณาเวทนาว่าเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดจากร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดความเจ็บขึ้นมาเวลาร่างกายหิวขาดอาหารขาดน้ำก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาร่างกายไปสัมผัสกับของแหลมของคม ก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ให้พิจารณาว่าเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเวทนานี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรไม่คงเส้นคงวาเวทนาก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีทั้งสุขเวทนามีทั้งทุกขเวทนา มีทั้งไม่สุขไม่ทุกขเวทนาที่เกิดจากร่างกายในร่างกายนี้จะมีเวทนาอยู่สามชนิดด้วยกันก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาและไม่สุขไม่ทุกขเวทนาสุขเวทนาก็คือเวลาได้รับประทานอาหารอิ่มเวลาหิวน้ำได้ดื่มน้ำก็เกิดความสุข เวลาหิวอาหารได้รับประทานอาหารก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาร่างกายอดอาหารอดน้ำก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องพิจารณาว่าเวทนานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เสมอไปบางเวลาก็ควบคุมได้แก้ไขได้บางเวลาก็แก้ไขไม่ได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะให้หายไปทันทีทันใดก็ไม่สามารถสั่งให้หายได้ร่างกายจะหายไม่หายก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ทำให้ร่างกายไม่สบาย ถ้าเหตุปัจจัยที่ทำให้ร่างกายไม่สบายหายไปการเจ็บไข้ได้ป่วยก็าหายไปได้เช่นเวลาติดเชื้อโรคมาเป็นไข้หวัดก็ต้องให้ร่างกายทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายถ้าร่างกายมีกําลังมากกว่าสามารถกำจัดเชื้อโรคที่ทำให้เกิด อาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้อาการนั่นก็จะหายไปอันนี้ให้พิจารณาเพื่อจะได้ปล่อยวางเวทนาไม่ให้เกิดความอยากให้มีแต่สุขเวทนาไม่ให้เกิดความอยากไม่ให้มีทุกขเวทนาเพราะถ้ามีความอยากให้มีแต่ความสุขเวทนาเวลาสุขเวทนาหายไปก็จะ เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งความทุกข์นี้เกิดขึ้นภายในใจความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ศุขเวทนาถาวรไม่หายไปไม่หมดไปแต่ถ้าพิจารณาดูศึกษาธรรมชาติของเวทนาก็จะเห็นว่าเวทนาเขาไม่เที่ยงเขามีการเปลี่ยนแปลง พอมีท right? yeah. right? ja ั้งสุขมีท hey? yes. ั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขมีทั้งไม่ทุกข์เราจะไปเลือกเอาว่าจะเอาสุขอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเลือกเอาแล้วพอไม่ได้ดังใจก็จะทุกข์ถ้าไม่เลือกปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงเวลาสุขเขเวทนาเกิดขึ้นก็รับรู้ไว้เวลาทุกข์เขเวทนาเกิดขึ้นก็รับรู้ไปเวลาเกิดความไม่สุขไม่ทุกข์เขเวทนาก็รับรู้ไป ไม่ให้ไม่เกิดไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่นใจก็จะไม่ทุกข์อันนี้ก็คือการพิจารณาเวทนาเจริญสติที่เวทนาให้เวลาที่เกิดปัญหาทางเวทนาขึ้นมาเช่นเวลาเกิดอาการเจ็บทางร่างกายเช่นเวลานั่งภาวนาแล้วเกิดอาการเจ็บขึ้นมาถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับ เวทนาก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาว่าเวทนานี้ไม่เที่ยงเวทนานี้เป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ตอนนี้เขาเจ็บก็ต้องรู้ว่าเจ็บเท่านั้นถ้าไม่ไปอยากให้เขาหายไปใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าใจไม่ทุกข์ ใจก็สามารถอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บของร่างกายปัญหาอยู่ที่ความทุกข์ของใจความทุกข์ของใจนี้รุนแรงร้ายกาจกว่าความเจ็บของร่างกายหลายเท่าด้วยกันถ้าไม่มีความทุกข์ทางใจแล้วความเจ็บทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหากับใจเลยนี่คือการเจริญสติ เวทนาอันนี้ก็ต้องเจริญในขณะที่เกิดปัญหาขึ้นมาเช่นเวลาเกิดอาการเจ็บปวดต่างร่างกายต่างๆเรียกว่าเป็นการเจริญสติที่จิตที่ที่เวทนาเรื้องต้นเราก็เจริญสติที่ร่างกายศึกษาร่างกายให้เห็นความจริงเข้าใจความจริงของร่างกาย เพื่อเราจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่มีการมารมณ์จะได้ไม่มีความอยากไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็พิจารณาเวทน า, นาเพื่อจะได้ปล่อยวางเวทนาว่าเวลาเวทนาเกิดขึ้นแล้วไปสั่งเขาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องอยู่กับเขาให้ได้วิธีจะอยู่กับเขาให้ได้ก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเท่านั้นเอง ให้รู้ต่างความเป็นจริงคือรู้แจ้งเห็นจริงว่าเวทนานี้มีสามส่วนมีสุขเขาวเวทนามีทุกขเขาวเวทนามีไม่สุขไม่ทุกขเขาวเวทนามีการเปลี่ยนแปลงไปสลับกันปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกขบ้างเดี๋ยวไม่สุขเดี๋ยวไม่ทุกขบ้าง เขาจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ไปมีความอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นก็จะไม่มีปัญหาจะไม่มีความทุกข์ใจนี่คือการพิจารณาการเจริญสติที่กายกับเวทนาก็จะสามารถผ่านปัญหาของเรื่องของร่างกายไปเรื่องของความแก่ของความเจ็บของความตายเรื่องของความการอารมณ์เรื่องของความหลงไหลคลังคล้ายกับ กับร่างกายกับการอยากจะมีร่างกายของผู้อื่นมาเป็นสมบัติไว้ครอบครองเพื่อมาเสกการมาลพ์เพื่อมาตอบสนองการมาลพ์ที่เกิดขึ้นผู้ที่ได้พิจารณาได้เจริญสติในกายกับเวทนาแล้วก็จะไม่มีความอยากกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นของตนเองและของผู้อื่น ของตนเองก็จะไม่มีความอยากไม่ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย่ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายของคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายของคนอื่นจะปรุงแต่งให้ดูสวยงามขนาดไหนก็จะไม่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาเพราะจะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามที่ไม่สามารถปรุงแต่งหลอกใจได้ก็คืออาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง หรือสภาพของร่างกายเวลาที่ตายไปแล้วอันนี้ก็จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ถึงสามขั้นด้วยกันคือขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีและขั้นอนาคามีขั้นต่อไปคือขั้นของการที่จะบรรลุของขั้นพระอาหารหันต์ได้ก็ต้องเข้าไปพิจารณา เข้าใจถึงความจริงของจิตว่าจิตนี้คืออะไรกันแน่อะไรที่เป็นจิตอะไรที่ไม่ใช่เป็นจิตอะไรที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรที่ไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าผ่านร่างกายไปแล้วก็จะเข้าไปในจิตเองถ้ายังไม่ผ่านร่างกายนี้ยังไม่สามารถเข้าไปได้เพราะจะถูกเรื่องของร่างกายเรื่องของเวทนากีดขวางอยู่ ดังนั้นการที่ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ๆนี้จะพิจารณาจิตอะไรนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นเหมือนกับเด็กที่เข้าอนุบาลนี้จะไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆถ้งเข้าอนุบาลก็ต้องเข้าสู่ชั้นประถมเข้าสู่ชั้นมัธยมไปก่อนก็คือต้อง ถ้าเริ่มต้นก็ต้องจเจริญสติไปก่อนเพื่อให้เกิดสมาธิพอเกิดสมาธิแล้วถึงค่อยเข้าไปพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายแล้วก็พิจารณาเวทนาอพอผ่านร่างกายผ่านเวทนาแล้วถึงจะเข้าไปเสียงขั้นของจิตไดอ้อันนี้ก็เหมือนกันอนุบาลก็ต้องฝึกสติไปก่อนพุทโธพุทโธไปก่อนอนั่งสมาธิไปก่อน พอได้สมาธิแล้วทีนี้ก็เข้าไปสู่ขั้นปฐมแนละ้วพิจารณาอาการสามสิบสองพิจารณาซากสดพิจารณาดินน้ําลมไฟพอผ่านร่างกายแล้วก็เข้าไปสู่ขั้นเวทนาต่อไปพิจารณาเวทนาทั้งสามส่วนว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอผ่านเวทนาแล้วถึงจะเข้าไปในจิตต่อไปเข้าไปในจิตก็เข้าไปพิจารณาธรรมารมณ์นี่เอง อารมณ์ที่เป็นอนิจจังทุกขังอนาตาที่จิตยังยังหลงไปยึดไปติดว่าเป็นสุขว่าเป็นนิจจังสุขขงังเป็นอัตตาอยู่เป็นของจิตอยู่ก็ต้องพิจารณาจนปล่อยวางพ้าปล่อยวางหมดแล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่จิตล้วนๆจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ไม่มีความหลงไม่มีความโลภความอยาก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความโลภความอยากกับร่างกายกับเวทนากับธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปภายในใจนั้นอันนี้เป็นงานขั้นต่างๆของการเจริญสติที่จะรวมไปถึงสมถะและวิปัสสนาที่จะรวมไปทั้งสมาธิและปัญญา ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้พระพุทธเจ้าจึงทรงสามารถพยากรณ์ได้ว่าผู้ใดที่ได้ปฏิบัติผ่านขั้นตอนต่างๆของสติปัฏฐานสี่นี้ย่อมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนภายในเจ็ดวันหรือภายในเจ็ดปีเป็นอย่างช้าขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับ สติปัญญาความภาคเพียรของแต่ของผู้ปฏิบัติมีมากหรือมีน้อยถ้ามีมากก็บรรลุเร็วถ้ามีน้อยก็บรรลุชา้าแต่สามารถบรรลุได้ทุกคนอย่างแน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็ได้ขั้นอนาคามีถ้าไม่เช่นนั้นก็ขั้นพระอาหารหันต ภายในเจ็ดวันถึงเจ็ดปีถ้าเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิได้สมาธิแล้วก็พิจารณาความจริงศึกษาความจริงของร่างกายศึกษาความจริงของเวทนาศึกษาความจริงของของจิตการพิจารณาการปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอาริยสัจสีนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นธรรมทั้งหมดนี้ก็อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี้เองนี่แหละคืองานของผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องทําที่ตรงนี้ ต้องทำในสติปัฏฐานสี่นี้ไม่ว่าจะเป็นค า, ารวะหรือเป็นนักบวชสามารถทำได้ด้วยกันทุกคน<ม>การเป็นคารวะนี้มีอุปสรรคเท่านั้นเองเพราะว่ามีภารกิจอย่างอื่นมาคอยแย่งเวลาของการปฏิบัติไปจึงจำเป็นต้องตัดภารกิจต่างๆออกไปแล้ว ไปอยู่ตามสถานที่สงบจะอยู่แบบนักบวชก็ได้จะอยู่แบบไม่ได้บวชก็ได้ไม่ต่างกันถ้ามีเวลาปฏิบัติแล้วปฏิบัติได้เหมือนกันผลก็จะได้เหมือนกันดังนั้นเรื่องของการบวชหรือไม่บวชนี้ดังที่ได้คุยไว้ในเบื้องต้นนี้เจงไม่ได้ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติจิตภาวนา การเจริญสติปัฏฐานสี่จเจริญกายเวทนาจิตธรรมนี่เท่านั้นถ้าเป็นค า, วารวาเจริญได้ก็บรรลุได้เป็นนักบวชจเจริญได้ก็บรรลุได้เหมือนกันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะแต่อยู่ที่ว่าจะมีเวลาที่จะปฏิบัติได้หรือไม่เท่านั้นดังนั้นขอให้เราอย่าไป กังวลกับเรื่องการบวชหรือไม่บวชขอให้เรากังวลกับเรื่องว่าเรามีเวลาปฏิบัติหรือไม่มีเวลาปฏิบัตรริมีแล้วปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติบางทีมีแล้วกับไม่ปฏิบัติกับมานั่งจินตนาการคิดถึงอดีตอันแสนหวานมานั่งคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าถ้ามีเวลาแล้วมานั่ง คิดให้ฟุ้งซ่านเปล่าๆอย่างนี้ก็อย่ามีเวลาเสียดีกว่าสู้ไปทําอะไรจะได้ไม่ต้องมาฟุ้งซ่านการมีเวลาก็เพื่อที่เราจะได้มาเจริญสติในสติปัฏฐานสี่ถ้ามีเวลาแล้วไม่มาเจริญสติในสิในสติปัฏฐานสี่ก็เสียเวลาไปเปล่าๆดังนั้นขอให้พวกเรา ที่มีความปรารถนาที่อยากจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายขอให้เราหาเวลามาเจริญสติปัฏฐานสี่กันเราจะเจริญในคาบของนักบวชก็ได้จะในคาบของขาวร่าวาก็ได้ไม่ไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การเจริญสติปัฏฐานสี่นี้เท่านั้นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแั่เวลา ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านีน้ใครอยากจะถามปัญหาไหมอาจารย์ครับเมื่อกี้มีโยมเขาฝากถามมาว่าจะหยุดความคิดระหว่างลืมตาได้ยังไงครับอาจารย์ก็เนี่ยใช้พุทโธเลยน่ะถ้าเราคิดแต่พุทโธพุทโธเราก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ ความคิดนี้จะคิดได้ทีละเรื่องถ้าเราคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ที่เราไม่มีกําลังที่จะดึงความคิดให้อยู่กับเรื่องที่เราตั้งไว้เท่านั้นเองใจเราชอบไปคิดในเรื่องที่เขาชอบคิดตอนคิดใหม่ๆจึงสู้เขาไม่ได้ พอเราพูดโธพุดโธได้สองคำเขาก็ดึงไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราพยายามคิดอยู่กับพุโทโธอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะอยู่กับพุดโธไปเองมันเหมือนเป็นการชักกเยาะกันตอนเริ่มต้นนี้เขามีสิบคนเรามีคนเดียวเราก็สู้เขาไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามพุโทโธพุโทโธบ่อยขึ้นบ่อยขึ้ น, นมากขึ้นมากขึ้น กำลังของพุทธโธก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วต่อไปกำลังของเขาก็จะสู้เราไม่ได้ก็จะอยู่กับพุทธโธพุทธโธก็จะไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปเราก็สั่งให้เขาคิดได้สั่งให้เขาหยุดได้เพราะเรามีกำลังมากกว่าฝ่ายคู่ต่อสู้คือฝ่ายของกิเลสตันหานะกิเลสตันหาตอนนี้เขามีกำลังมากกว่า เพราะเขาไม่เคยมีใครมาท้าทายมาต่อสู้กับเขาเลยตั้งแต่เราเกิดมาจนก่อนที่มาได้พบกับพระพุทธศาสนานี่เราไม่รู้จักคำว่าพุโทโธเลยเราไม่เคยรู้จักคำควบคุมความคิดของเราเลยเรามีแต่ปล่อยให้คิดไปตามความต้องการอยากจะคิดเรื่องอะไรก็ปล่อยให้คิดไปคิดไปจนกระทั่งไม่อยากจะคิดเท่านั้นนะไม่รู้ ไม่มีการหยุดความคิดของตนเองเลยอตตอนนี้เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วทรงแล้วได้ยินได้ฟังความสำคัญของการควบคุมความคิดให้ใช้พุทธโธเป็นเบรกหยุดความคิดตอนนี้เราก็เริ่มมีผู้ต่อสู้ที่จะต่อสู้กับความคิดที่จะคิดไปในทางกิเลสตัณหากันแล้วเพียงแต่ว่าตอนเริ่มต้นนี้ก็เป็นเหมือนอ นักมวยสมัครเล่นไปก่อนน้อมลุกคุกคานไปก่อนแต่ถ้าพยายามไปเ ร, เรื่อยแล้วต่อไปก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดก็จะสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้สั่งความคิดได้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพาาาระอรหันต์เป็นอย่างนี้ท่านสั่งความคิดได้สั่งให้หยุดได้สั่งไม่ให้คิดไปในทางกิเลส ต, ตัณหาได้ สติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือพุทธโธก็เป็นสติอย่างหนึ่งจะใช้อย่างอื่นก็ได้จะใช้สวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์阿拉หังสัมมาสวัสดิ์คาโตสุปฏิปนันโนไปก็ได้จะท่องอาการสาวสิบสองไปก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจะท่องอ น, นิจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไปอย่างนี้ก็ได้ ขอให้มันอยู่กับธรรมะคิดอยู่กับเรื่องของธรรมะก็เป็นปัญญาเป็นสติที่จะเบรกกิเลสตัณหาอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความตั้งใจต้องมีความมุมานะต้องมีความตั้งใจต้องตั้งเป็นเป้าเลยว่าต่อไปนี้เราจะควบคุมความคิดของเราด้วยพุทธโธก็ดีด้วยการสวดมนต์ก็ดีด้วยการ ้องอาการสาสิบสองก็ดีด้วยการฟังเทศฟังธรรมก็ดีเวลาฟังเทศฟังธรรมตั้งใจฟังก็หยุดความคิดได้ให้คิดอยู่กับธรรมะที่มาสัมผัสกับหูคิดไปตามเหตุตามผลที่แสดงอันนี้ก็จะได้สติได้หยุดความคิดตรงแต่งได้ปัญญาได้ความสงบ ก, การฟังธรรมจึงมีคนมีประโยชน์มาก สมัยนี้เราสามารถฟังธรรมได้ตลอดเวลาก็สําคัญก็คือการฟังธรรมที่จะให้ได้ผลจริงๆนั่งคนจะฟังในขณะที่กายว่าจใจสงบคือไม่ควรทําภารกิจอย่างอื่นะจะได้ประโยชน์มากกว่าบางคนคิดว่าเปิดธรรมะไปแล้วก็ทํางานทําการไปนี่มันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะใจยังทํางานอยู่ ใจยังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังคิดกับเรื่องงานที่กำลังทำอยูอ่ก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์ถ้าจะได้ประโยชน์จริงๆต้องนั่งเฉยๆอย่างที่เวลาพวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันกายวาจาใจสงบนั่งอยู่เฉยๆไม่พูดคุยกันไม่ทำอะไรแล้วก็ใจก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอยู่กับทำที่กำลังมาสัมผัสกับหู อันนี้ก็จะเป็นการหยุดความคิดตรงแตนได้เวลาที่นั่งสมาธิใหม่ๆนี้นั่งไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็ให้ใช้บทสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปยาวๆสวดไปจนกระทั่งมันเหนื่อยไม่อยากจะคิดพอมันไม่อยากจะคิดนะเราก็ดูลมหายใจได้ดูลมหายใจได้แล้วเดี๋ยวจิตก็เข้าสู่ความสงบได้อยู่ที่ความ ขยัอยู่ที่ความภาคเปลี่ยนอยู่ที่ความอดทนอยู่ที่ความมุ่มานะไม่ใช่ว่าพอพุทโธได้สองสามคำพอทำไม่ได้แล้วก็เลิกทำไปยอมแพ้ยอมแพ้ไปถ้ายอมแพ้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีวันที่จะชนะได้ต้องทำไปเพอเมื่อไหร่พอได้สติก็เดินกลับมาพุทโธใหม่เดิงกลับมาใหม่เดินกลับมาใหม่ยังเเขาเดึงไปเราก็เดินกลับมาเขาเดึงไปเราก็ดึงกลับมา เราดึงบ่อยๆนต่อไปเราก็จะชนะเขาเองไม่รู้ครับตอบคำถามอะไรก็ไม่รู้มีคำถามตกค้างจากทางเฟ e บุ๊กเพิ่มเติมครับจากคุณอำนาจนะครับการทำบุญอย่างไรที่เป็นการทำลายศาสนาทางอ้อม <c oughs> โดยที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบและการทำบุญแบบไหนที่เป็นการสืบทอดเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบแท้จริง ก็ทำบุญที่มันเลยเหตุเลยผลเลยความพอดีเช่นสาวรอวัตถุที่อยู่อาศัยของพระนี่สร้างกันวิจิตพิสดารเงินกับพระราชวังอย่างนี้อันนี้ก็ทำบุญแบบทำลายาศาสนาเพราะว่าการกินอยู่ของพระนี่ต้องเรียบง่ายต้องสันโดษมนักน้อย ไม่ใช่รู้หลาเหมือนกับค า, า, า, ารวะทุ่เศษกามนั้นการที่เราไปถวายข้าวถวายของพุ่มเฟยต่างๆถวายรถเบนท์รถรถลอยถวายเครื่องบินถวายของที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของที่จะเหมาะสมกับคารวะนักบวชอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำลายศาสนา เพราะจะทําให้พระที่มาบวช ท, ที่หลังเห็นเป็นตัวอย่างทุกคนก็จะพุ่งไปที่ที่พระที่ได้ลาบสักการะเหล่านั้นเห็นพระท่านมีกุติราคาสิบล้านก็อยากจะสร้างสักหลังหนึ่งก็พยายามหลอกล่อหรือพูดจาหวานล้อมให้ศรัทธาญาตโยมมาสร้างถวายให้อยู่อย่างนี้เป็นต้นคือปัจจัยสีต้อง สมเหมาะสมกับอาสามัญเพศเหมาะสมอย่างไรก็ให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก็แล้วกันพระพุทธเจ้าท่านส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ตามคนไม้ท่านจะใช้ผ้าบางสกุลสมยัยแรกๆสมัยที่ยังไม่มีใครที่เขารู้จักพระพุทธศาสนารู้จักพระพุทธเจ้าแต่ต่อมาก็มีการถวาย แต่ก็ยังพอสมเหตุสมผลคือขอให้ถวายปัจจัยสี่กับภาพพิสูุตามสมเหตุสมผลตามสมกับฐานะของนักบวชก็แล้วกันอย่าไปถวายของที่ไม่เหมาะกับกั บ, ก, บกับนักบวชปรว่าคงจะตามได้แค่นี้แหละหมดแล้ว เนี่ยก็เวลาบวชเนี่ยพระอุปัชฌาย์มีหน้าที่จะต้องสอนทั้งสอนอนุศาสตร์อนุสาสตร์นี่มีอยู่แปดข้อด้วยกันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกสี่ข้อส่วนที่สองสี่ข้อคือกิจที่พึงกระทำสี่ข้อและผิกิจที่ไม่พึงกระทำสี่ข้อของนักบวชกิจที่พึงกระทําคืออะไรเบญทบาทเนี่ย ให้เลี้ยงชีพด้วยการบินทบาทให้ยินดีกับอาหารที่ได้มาจากการบินทบาทไม่ให้อยากไม่ให้มีความอยากรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้สั่งให้คนนั้นคนนี้จัดหาหาอาหารอย่างนั้นหาอาหารอย่างนี้มาให้รับประทานให้ยินดีกับอาหารที่ได้จากการบินทบาทการบินทบาทนี้เป็นหน้าที่ของนักบวชเป็นประโยชน์ Portland. ทั้ง นักบวชและผู้ที่ได้ใส่บาตรเพราะการบินตาบานี้เป็นการโปรดสั์คือดทำให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญทำทานได้มีโอกาสทำบุญทำทานถ้าพระไม่ไปบินตบานคนที่อยู่บ้านบางทีเขาไม่มีเวลาที่จะมาวัดที่จะมาทำบุญใส่บาตรเขาก็จะไม่ได้โอกาสได้ทำบุญแต่ถ้าพระไปโปรดถึงที่บ้านไปเดินบินตาบาาในหมู่บ้าน ใครอยากจะทำบุญวันนั้นวันนี้ก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็ไม่ได้ไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องใส่อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เคยมีมีอาหารอะไรอยากจะแบ่งให้แสดงใส่บาตรก็แบ่งใส่ไปได้พระได้อาหารที่ใส่มาก็ให้ยินดีตามที่ได้มารับประทานอาหารก็รับเพื่อเป็นยาเพื่อดับความหิวที่เป็นเหมือนโรค ชนิดหนึ่งของร่างกายไม่ได้รับประทานเพื่อเกิดความสุขทางใจที่ได้เศษรูปเสียงกลิ่นรสโภพภะที่ถูกอกถูกใจอันนี้คือเรื่องของการบินทบาดนี่ันในบาศเนี่ยันมือเดียวเนี่ยเป็นกิจของของพระที่เพ่งกระทำเนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือบางสกุลใช้ผ้าบางสกุล คำว่าผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่เขาทิ้งเศษผ้าต่างๆที่ใช้แล้วที่ขารวะญาติโ ย, ยมไม่ต้องการแล้วทิ้งไว้ในป่าช้าบ้างทิ้งไว้ในกองขยะบ้างผ้าที่ใช้ผ่อสมบ้างอันนี้ก็ไปเก็บผ้าเหล่านี้มาสะสมไว้จนกว่าจะมีจำนวนพอกับการมาตัดเย็บเป็นจีวรก็นามาตัดเย็บแล้วก็เอามาซักย้อมด้วยน้ำฝา คือน้ำที่ต้มด้วยแก่นไม้อันนี้ก็เป็นผ้าของพระสมัยพระพุทธการให้ยินดีกับผ้าบางสกุลคือให้ยินดีกับของเก่าอย่าไปยินดีกับผ้าใหม่ผ้าแพ้ผ้าผลิตมาจากเมืองนอกเมืองนาอะไรอย่างนี้ใช้ไปผ้ามีไว้เพื่อปกปิดอวัยวะทำหน้าทีา่รักษาร่างกายไม่ให้ถูกความหนาวมา ทำให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถูกแมลงสัตว์กัดต่อยเพื่อปกปิดอวัยวะต่างๆที่ไม่ควรที่จะเปิดเผยอันนี้เท่านั้นคือหน้าที่ของผ้าจะเป็นผ้าละผ้าออกมาจากโรงงานผ้าผ้าไหมผ้าแพ้ผ้าวิเศษวิจิตรพิพสดารอย่างไรมันก็เป็นผ้าเ่นไนเอร่างกายก็เป็นเหมือนศพอยู่ดีๆเนี่ยเป็นศพที่ยังเดินได้ยังหายใจได้ เสื้อผ้าที่จะมาใส่ก็เป็นเหมือนผ้าห่อศพดีๆนี่ดองนั้นการที่ไปเก็บผ้าห่อศพมาห่อศพอีกทีมันก็เป็นจะน่าจะรังเกียจตรงไหนนี่คือการใช้ผ้บาบังสกุลกิจที่เพื่งกระทําของพระข้อข้อที่สามก็คือที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ตามสถานที่สงบสงัดในป่าตามโคนไม้ถ้าไม่มีกระต๊อบไม่มีแค่ไม่มีอะไรก็ อยู่ตามโคนไม้ไปโคนไม้มันมีร่มมันจะได้ไม่ร้อนเพื่อจะได้บาเพ็ญจิตธภาวนาหรือถ้ามีผู้มีจิตศรัทธาจะสร้างที่พักอาศัยให้ก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดเขาสร้างให้อยู่อย่างไรก็อยู่ไปก็สำคัญขอให้หลบแดดหลบฝนได้ป้องกันภัยต่างๆได้แล้วก็ให้อยู่ในที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงต่าง อันนี้ก็คือกิจที่พระพึงกระทาข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือเรื่องของยารักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ใช้น้ำมูดเนี่ยคือน้ำปัสสาวะถ้าไม่มียาก็ใช้ดื่มน้ำปัสสาวะเอาให้รักษาด้วยการดื่มน้ำปัสสาวะไปถ้ามียาอย่างอื่นก็ใช้ได้ไม่ได้ห้ามแต่ไม่ให้ไม่ให้กังวลกับเรื่องอยู่เรื่องยา มากจนเกินไปให้ถ้าไม่มียาไม่มีใครถวายามาหา ย, ายาไม่ได้ก็ให้ดื่มน้าปัสสาวะรักษาไปรักษาหายก็หายรักษาไม่หายก็ปล่อยมันตายไปร่างกายนี้ถึงเวลาต่อให้มียาวิเศษขนาดไหนมันก็รักษาไม่หายอยู่ดีดังนั้นไม่ให้ยึดติดไม่ให้กังวลกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปเพื่อจะได้ ไม่มาวุ่นวายไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายที่กลายเป็นการสร้างความทุกข์แทนที่จะดับความทุกข์กลับมาสร้างความทุกข์ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของการบวชการบวชเพื่อมาดับความทุกข์การจะดับความทุกข์ได้ก็ต้องไม่วุ่นวายกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปให้ใช้หลักของมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิด หรือเอาของที่มันถูกของที่มันทิ้งแล้วอันนี้จะจ ะ, จะง่ายกว่าที่จะไปอยากได้ของใหม่ของดีต่างๆจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเวลาอยากแล้วไม่ได้นี่คือกิจที่พระ พ, พึงกระทำสี่ประการด้วยกันที่อุปชายะจะต้องสอนทันทีหลังจากที่บวชเสร็จแล้ว แล้วกิจอีกสี่ข้อที่ไม่พึงกระทาก็คือหนึ่งไม่ให้เสพการสองไม่ให้ฆ่ามนุษย์สามไม่ให้ลักทรัพย์สี่ไม่ให้อวดอุตริคุณธรรมอันวิเศษที่ตอนเองไม่มีอันนี้ถ้าทำแล้วถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีนี่คือเรื่องของอกิจของพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรง ให้พระอุปัชฌายะผู้บวชกุลบุตรสั่งสอนทันทีเพราะว่าถ้าไม่สั่งสอนแล้วกระทำไปแล้วจะเกิดความเสียหายอย่างมากตามมาต่อไปอาจารย์จายังไมให้พรเลยครับ อ, อ่าอ่างั้นก็จะให้พร ยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรติสาคขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอ an ิชิตังปติต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิชฉาตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะามณนิโชติรโสยะา สัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวตวันตาราย ο, สุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีริตสะนิจังวุทธาปจายิโนจตารุธรมมวะทานติอายุวันุสุขังภาลาง เวลาพูดเวลาลืมไปเลยว่ า, าพูดพูดเพราะเหตุอะไรพูดแล้วมันก็ยาวไปคือพูดเพื่อให้ญาติยมรู้ว่าเวลาถวายของเข้าของให้กับพระควรจะถวายแบบไหนอย่างไรเท่านั้นเองอย่าไปส่งเสริมให้เกิดกิเลสในใจของพระ หแต่ของดีๆของวิเศษของหายากมาให้ฉันของพิสดารต่างๆมาใช้มาเองมันก็จะทำให้ผราลูกอื่นที่ไม่มีบารมีแต่เกิดความอยากได้ก็ต้องดิ้นรนหากันเองก็จะไปทำจิตที่ไม่พึงกระทำได้แต่ถ้ามันมาด้วยจิตศรัทธา น, นี่ก็ห้ามไม่ได้บางทีเราพบครูบาอาจารย์เราลักเราเคารพท่านเราอยากจะให้ ให้ของดีๆของวิเศษกับท่านนี้อันนี้มันก็เป็นเรื่องของศรัทธาและเรื่องของความไม่เข้าใจของการกินอยู่ของพระซึ่งฆราวาสยอดโยมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้กันอันนี้ก็เลยบางทีก็ต้องปล่อยตะเลยตามเลยไปถามว่าเสียหายไหมกับฆราวาสยอดโยมไม่เสียหายยอดโยมได้บุญ แต่เสียหายกับพระกับพระที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวกับพระที่รู้เรื่องรู้ราวท่านก็ไม่เสียหายเพราะท่านไม่มีความยินดีที่ปรารถนาที่อยากจะได้แต่เมื่อมันมาท่านก็รับไว้ฉลองศรัทธาไปแต่พระที่ไม่รู้เรื่องของพระว่าควรจะบำเพ็ญตนอย่างไรก็จะถูกคำหน้าของกิเลสตันหาเข้ามาครอบงา ก็อยากจะมีเหมือนกับอพระที่มีลาบสักการะทั้งๆที่ตนเองนั้นยังไม่มีบุญบารมีพอที่จะทําให้เกิดลาบสักการะเหล่านั้นขึ้นมาเองก็จะดิ้นรนขวนขวายหามาเองก็จะทําให้หลงทางไปแทนที่จะมาแสวงหาสมถะวิปัสสนาภาวนาก็กลับมาหามลาบสักการะกัน อันนั้นเองอานแล้วนั้นมีอะไรอีกไหมฝากมาฝากเีวา่ามีภาระทางครอบครัวเยอะมากค่ะแล้วก็เกรงว่าจะรับภาระไม่ไหวค่ะแล้วก็เให้ยนถามว่าเขาทาบุนมามางในชอบินี้ชตินี้จะได้รับอะไรเลยเอได้รับเมื่อไหร่ผลมันก็บอกแล้วว่าทําบุญมากก็ทําบุญน้อย แลบุญส่วนใหญ่ในชาตินี้มันก็มันไม่ได้เกิดในชาตินี้ผลของบุญมันจะเกิดในชาติหน้าเสียมากกว่าชาตินี้เป็นช่วงรับผลบุญผลบาปของชาติก่อนเสียมากกว่าดัางนั้นก็ต้องทําใจว่าได้เท่าไหร่ก็แสดงว่าเราทํามาเท่านั้นแหละ ปลูกข้าววันนี้จะให้มันออกดอกออกรวงวันทุ่งนี้เลยไม่ได้มันก็ต้องเสียเวลารอเวลาก่อนผลที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเกิดจากเหตุที่เราทาไวในอดีตฉะนั้นก็ขอให้ทำใจถ้าทำใจแล้วก็จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจจะอยู่ได้จะมีผลบุญมากผลบุญน้อยนี่ก็จะไม่เดือดร้อนถ้าใจไม่มีความอยากแล้วมันไม่เป็นปัญหาแล้ว ปัญหาอยู่ที่ความอยากพระอาจารย์ครับคาร า, าวาสเนี่ยครับผู้มีความรู้ด้านการปฏิบัติธรรมมากมายแต่ว่าเข้ามาบวชเป็นพระบวชใหม่เนี่ยสมควรไหมครับที่จะสามารถสั่งสอนญาติโยมได้เลยครับตามธรรมเนียมของพระนี่เราจะาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ ขอรบผู้ที่มีพรรษาสูงกว่าการสั่งสอนนี้จะยกให้กับผู้ที่มีเป็นผู้อาวุโสเพราะถือว่าท่านศึกษามานานปฏิบัติมานานกว่าเราถึงแม้เราจะเคยศึกษาทางคารวะมาก็ตามแต่การศึกษาโดยที่ไม่ได้ปฏิบัตินี้มันยังไม่ถือว่าเป็นความรู้จริงไม่เหมือนกับความรู้ที่เกิดจากการศึกษาและปฏิบัติควบคู่กันไป ดังนั้นจึงมีธรรมเนียมทางสายาพระป่าว่าจะไม่มีการแสดงธรรมต่อหน้าผู้ที่มีอาอาวุโสกว่ตนถ้าอยากจะแสดงก็แสดงว่าเกิดตัณหาเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วการการแสดงธรรมของผู้ที่รู้จริงเห็นจริงนี้ไม่ได้แสดงด้วยความอยาก พระพุทธเจ้าตอนที่ทรงตัดเจ้าใหม่ๆก็ไม่มีความอยากที่จะสั่งสอนที่ต้องสั่งสอนก็เพราะเาพราะเมตตาที่เกิดขึ้นมาในพระไถ่สงสารงสอนจัดโลกที่ยังหลงติดอยู่กับวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ถ้าไม่มีพระองค์เป็นผู้สั่งสอนก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้อันนี้สั่งสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วย ความจำเป็นจริงๆไม่ได้สั่งสอนด้วยความอยากอย่างสมมติเราเป็นคารวาสเราเราเรียนรู้ม า, มากพอเรามาบวชเป็นพระหนึ่งพรรษาก็จะไปขึ้นธรรมาทไปแซงหน้าแซงตาครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชมายี 20, 30, ่สิบสามสิบพรรษาอย่างนี้มันก็แสดงว่าทำด้วยกิเลสตัณหามันไม่ได้ทำด้วยความจำเป็นไม่ได้ทำด้วยเหตุ แ้วความรู้ที่รู้มานี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นความรู้ที่ได้รับการกันกรจากการปฏิบัติหรื อ, อยังเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่อันนี้ถ้าเป็นความรู้ที่ถูกต้องแล้วมักจะไม่มีความอยากมักจะไม่อยากจะสอน <laughs> ถ้าอยากจะสอนก็จะแสดงว่าไม่ใช่เป็นความรู้ที่ได้รับการกันกร ก็ยังไม่ได้สกัดเอาพวกกิเลสตัญหาความโลภความอยากต่างๆออกไปจากใจดังนั้นผู้ที่มาบวชจึงควรที่จ ะ, จะซ้ํา้ำ เ, เจียมเนื้อเจียมตัวเก็บเนื้อเก็บตัวยังไม่ถึงเวลาพูดยังไม่ต้องพูดเดี๋ยวถึงเวลาพูดได้พูดเองไม่น้องกลัวเราให้พูดที่เขาใหญ่กว่าเอาวุโสกว่าเขา หมดไปก่อนะถ้าออกมาแสดงอวดความรู้ความสามารถเนี่ยมันก็ออกม า, านามอำนาจของกิเลสตันหาเท่านั้นแหละถ้าเราหลบหลีกไปอยู่คนเดียวแล้วคนดันทุรังไปหาแล้วไม่มีใครสอนเราก็สอนเขาได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็น แสดงว่าเขาอยากจะมาศึกษากับเราโดยตรงแล้วถ้าเราคิดว่าเรามีความรู้ที่ถูกต้องแม่นยําก็สอนไปแต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็อยากเพิ่งไปสอนเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายได้ถ้าเป็นความรู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิจะทําให้พาการหลงทางกันได้ดังนั้นต้อง เดินตามแนวที่พูุ้ทธเจ้าทรงแสดงไว้ขั้นต้นคือศึกษาก่อนปริยัตขั้นที่สองก็ปฏิบัติขั้นที่สามก็ปฏิเวทคือต้องบรรลุมรรคผลนิพพานก่อนถ้าบรรุถึงมรรคผลนิพพานแนเะทนี้ก็ค่อยเผยแผ่สั่งสอนต่อไปอสมัยนี้มักจะมีปริยัติแล้วก็ข้านปฏิบัติไปข้านปฏิเวทไปแล้วก็ไปสั่งสอนกันเลย ก็สั่งสองกนกันแบบผิดผิดถูกถกมีทุกรูปแบบเดี๋ยวนี้มีคนมาเล่าให้ฟังวิธีปฏิบัติแต่ละวิธีมีหลากหลายด้วยกันเดี๋ยวนี้มีวิธีนั่งสมาธิแบบเหวี่ยงตัว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันก่อนต้องต้องเหวี่ยงตัวมันถึงจะสงบถ <c oughs> <c oughs> ้าไม่เหวี่ยงแล้วมันไม่สงบ <c oughs> นั่งนิ่งๆแล้วมันง่วง <c oughs> มันหลับต้องเหวี่ยงตัว ในนนก็ต้องสมาธิแบบดิสโก้กันนะครับการสั่งสอนผู้อื่นเนี่ยเจตนาดีแต่ถ้าสิ่งที่สอนเนี่ยไม่ถูกนักหรือผิดเนี่ยคือกลายเป็นวิชาที่ิดแม้เจตนาดีก็คือกลายเป็นกรรมบาปสันทีใช่ไหมครับก็เหมือนเทวทัศน์เนี่ยสอนให้คนเห็นผิดเป็นชอบไป ก็พาตกน้ำมกันไปทั้งฝูงอ่ะาณะเทวทัศน์อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ต้องศึกษาบวชกับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้ายังหลงผิดนดิจเกตเดูอยอำ น, นาจของกิเลสตัณหาความหลงนี่มันรุนแรงขนาดไหนเพียงแต่ได้ได้สมาธิได้อภินยาเท่านั้นก็คิดว่าตนนัวเองได้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว แต่หารู้ไหมว่าเป็นเป็นเลขาฉานวิชาไม่ได้เป็นธรรมเลยเป็นกิเลสล้วนๆเป็นเครื่องมือของกิเลสล้วนๆอภิญยาต่างๆเพราะแทนที่จะดับอัตตาตัวตนอัตตาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตกับส่งเสริมให้อยากเป็นใหญ่เป็นโตจนถึงกับอดทนไม่ได้ต้องขออนุญาตขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าเลย แค่นี้ก็มองไม่เห็นกิเลสของตนเองแล้วคนที่ไม่มีกิเลสไม่ต้องขอแล้วเง้อไม่อยากเป็นด้วยเป็นไปให้เหนื่อยทาไมอยู่เฉยสบายอยู่แล้วทำไมต้องไปปกครองเขาให้เหนื่อยยากเปล่ า, าการที่เป็นผู้ปกครองนี้เพราะเขามาขอร้องให้ปกครองอย่างพระพุทธเจ้าคนมาขอบวยกับพระพุทธเจ้าขอเป็นลูกศิษย์กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปขอให้เป็นอาจารย์ของเขาเพราะ มันต่างกันคนที่มีเกเรตกับคนที่ไม่มีเกเรตมันต่างกันคนที่มีเกเรตนี่จะมีความมักใหญ่ไฟสูงอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นครูเป็นอาจารย์บวชได้พรรษาก็ขอแยกแยกตัวไปตั้งสำแนักของตนเอยจะได้เป็นใหญ่ถ้าอยู่สำแนักของครูบาอาจารย์ก็ต้องเป็นลูกศิษย์ต้องล้างกระโถนต้องล้างซ่วมต้องกวาดถู เชดถูสาราล้างบาตปฏิบัติกิจกับครูบาอาจารย์แต่ถ้าแยกไปอยู่คนเดียวเป็นเจ้าสำนักก็เลยกลายเป็นอาอาจารย์ไปเป็ น, เ ป, นเป็นเจ้าอาวาสไปใครมาอยู่กับตนก็ต้องเป็นผู้มารับใช้ตนอันนี้เป็นกิเลสที่เลือกละเอียดที่คนที่ไม่ได้ศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์นี่จะมองข้ามไป ได้มองเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยดังนั้นขอให้เราเข้าหาครูบาอาจารย์กันอย่าเชื่อตัวเองเพราะส่วนใหญ่คำสอนของเรานี่มันเป็นคำสอนของความหลงของความอยากถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วเราจะได้รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ ถูกต้องพราะครบาอาจารย์ท่านผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนแล้วตอนที่ท่านบวชใหม่ๆท่านก็ไปอยู่อับคูบาอาจารย์ก็ถูกสอนให้เป็นอให้ตัดความอัตตาตัวตนให้ละมานะทิฏฐิต่างๆอันนี้เป็นตัวร้ายกาจมากคือตัวอัตตาตัวตนเนี่ย ถ้าไม่กำจัดมันตั้งแต่ตอนต้นไม่คอยกดมันไว้มันจะแผงเล็ดขึ้นมาได้ง่ายแต่ถ้าได้อยู่กับครูบาอาจารนยะ์แล้วก็อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายกาศแต่ถึงแม้ขนาดร้ายกาศถึงแม้ได้อยู่กับครูบาอาจารนยะ์แล้วบางทีมันก็ยังถูกมันหลอกได้อย่างพระเทวทัศน์ก็ถูกมันหลอกได้ mm hmm. พอปฏิบัติไปปฏิบัติไป ได้คุณธรรมวิเศษได้คุณธรรมที่วิเศษขึ้นมาก็หลงตัวเองนะหลงคิดว่าตนเองนี่ยิ่งใหญ่แล้วคุณธรรมวิเศษจริงๆนี่จะทำให้อัตตาตัวตนมันน้อยลงไปทำยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่อัตตาตัวตนมันยิ่งจะน้อยลงไปเรื่อยๆตนไม่มีอัตตาตนเหลืออยู่เลยถึงคำขั้นวิเศษ ขันสูงสุดนี้อัตตาตัวตนนี้จะไม่มีเลยมานะหายไปเลย <Yeah. S 1> แต่ถ้าไปแค่ขั้นสมาธิแคข่ขั้นอภิญญานี้กิเลสไม่ได้ตายแม้แต่ตัวเดียวกิเลสกลับจะเจริญใหญ่โตขึ้นไปใหญ่เพราะความหลงคิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษขึ้นมาแล้ว <Yeah. S 1> แล้วก็จะถูกกิเลสตัณหาทำลายไปในที่สุดอย่างเทวทัศน์ก็ถูกตัณหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโต <Yeah. S 1> ทาลายไป พอไม่ได้ดังใจก็โกรธอาฆาตพยาบาทถึงพยาถึงกับพยายามปองพระชนพบพรทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันอันนี้แหละดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติทางนี้ขอให้ระมัดระวังเรื่องอัตตาตัวตนนี้ให้มากอย่าถือเนือ้อถือตัวพยายามลดอัตตาตัวตนอย่างที่ทรงสอนว่าให้ทำตัวเหมือนเป็นปะทะีเป็นเหมือนแผ่นดิน ให้คนอื่นเขาเหยียบให้เขาย่ำกันใครก็อยากจะทำอะไรกับแผ่นดินนี้แผ่นดินไม่รู้สึกกระเทือนเลยใครจะเทอุจฉระปัสสาวะลงดินดินไม่ร้องไม่ไม่บน่นไม่ว่าอะไรใครจะขุดดินใครจะทำอะไรกับดินดินไม่มีความรู้สึกอะไรใจของผู้ที่ตัรถนาความดุดพ้ น, นี้จากอัตตาตัวตนจำเป็นจะต้องทำตนเองให้เป็นเหมือนปัสพี ทำให้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองเอาแล้วนะที่ว่าพอสมควรเก่เวลาขอยทุกคนนำเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อมรรคผลนิพพานที่จะตามมาต่อไป 6ง10นี้โมอท6ม10นี6มง10ที6โมง1นาที6โงท6 10นาที6 10นา6ม10นที6ที6าีมาทีาที6มงที6ง10า6ง10นาที6โนาทีงนาทีนามงามงนาีมาทีมทีาที6โมียงข้างนอกหายไป เราไ้น oh. ้องไป่ได oh. <L> ้เราไปห้ามผู้หไม่ได้เราห้ามใจเราได้ความะการห้ามใจเราท่านหนึ่งไม่ต้องการานก็คือคุณโไปได้เยเย็นไปได้เรื่อยใจเยยอะไรใจเย็นใจเน ก็ถึง6โมง 45, 45. นเริมต้นเริ่มต้น6โมง10ค่ะต้น6โมง10จนถึงประมาณ6โมง45บินถ้า บ, บาทนั้นถ้าไม่ทัน10ก็ขับรถไล่ไปเรื่อยๆตามเลยเดี๋ยวไปถึงปลายทางก็ประมาณ6โมง45ถ้าไม่ทันก็ขับมาที่วัดมาใส่ที่วัดต่อกไ็ได้ใส่ได้ถึง9โมงนู่น แปดโมงอ่ะแล้วจะเริ่มชันประมาณแปดโมงถ้าวันธรรมดาก็เจ็ดโมงคึ่งเจ็ดมงสี่สิบห้านาทีก็ยังทันอยู่ยันนอนให้สบายแต่ไม่ต้องกังวลเวลามาอยู่วัด น, นานๆจะรูสึ ก, กคิดถึงบ้านหรือว่ารู้สึหวนอยากยังจะกลับไปไปหาโลกไปนี้มันมความอ ย, า, อยากายยาก็ต้องอยากไปคิดเองควบคุมความคิดไว้ให้ ให้พุโทโธพุธโทโธนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วมันจะหายอยากพอไม่ไม่นั่งสมาธิพอปล่อยให้คิดปับ๊บมันก็จะอยากขึ้นมาทันทีการกะวาวันที่ยี้าตอนเช้าเก้าโมงครึ่งวันศุกร์เป็นสำนักงานอะไรสถาบันวิจัยอะไรในะแห่งชาติเนี่ย ทเชาอางระจาย์ร่วด้วยก็ไม่ได้ร่วมเพราะเราไม่เสร็จกิจนี่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้น้อาไม่ได้ลงรับกรถิ่นแล้วเราสละสิทธิ์ปล่อยให้พระลูกอื่นท่านทําหน้าที่กันไปเพราะว่ามันภารกิจของเรามันรัดตัวมากมันแรงขอขอเพราะเราก็รับมาหลายสิบปีแล้วก็เปิดโอกาสให้พระลู่นเขาได้มีเกียรติมีหน้ามีตาได้รับว่าเราจะได้มีเวลาพักผ่อนด้วย ว่าพระาจามีกินทมาทวันออกพรรษาตักบาตวันตักบาทเทววันขึ้นสิบห้าค่ำก็ปีนี้ก็ตรงวันที่สิบเก้าเริ่มต้นตำมานหกโมงครึ่งที่พระบริเวณที่พระมนตดลบญาติโยมจะไปตั้งแถวกันที่ทีะที่ที่ตีนบันไดแล้วก็จะตั้งแถวมาตางถนนจนถึงศาลาถอฉันเพราะแถวมันยาวมากคนมาใส่กันมาก ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเสร็จเสร็จก่าจะบินนบะเสร็จก่อจะมาถึงศาลาก็เจ็ดโมงครึ่งแปดโมงแล้วก็ขึ้นมาถวายของบนศาลาต่อก็ได้เพราะเวลาใส่บาตก็จะใส่ของแห้งกันส่วนอาหารสดนี่ก็จะขึ้นมาใส่บาทรไถวายของบนศาลาอีกทีนะขกับเอได้หนังสือกันแล้วยังใครที่ยังไม่ได้ก็เชิญขึ้นมารับได้นะ ไปานน้ออยรูตแล้วทก็มาสนใจทางาสนานี่้มาถามคาถามผมผมตอบไม่ถูกเลยถามว่าพระาเทระรมยุทธแล้วมีธรรกายกาถามว่าทำไมมีต่างต่างต่างุกกันอ๋อก็คือมีความเห็นต่างกันในวิธีการปฏิบัติบางข้อบางอย่าง ก็เลยแยกเป็นเป็นเหมือนกับเป็นแผนกแผนกไปถ้าใ ส, ใส่แล้วเหลือได้ถ้าต้นเองก็ไม่ไม่มีปัญหาแล้วก็ยังเป็นพุทเหมือนกันยังปฏิบัติเหมือนกันเองแต่ว่ากลุ่มหนึ่งปฏิบัติแบบนี้บางข้อเช่นกลุ่มนี้บอกว่าอาใช้เงินใช้ทองได้รับเงินรับทองได้แต่กลุ่มอีกกลุ่มบอกว่าสมัยพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ให้รับเงินรับทองไมใ่ใช้เงินใช้ทองก็เลยต้องแยกกันไป พวกที่เงีรับเงินรับทองใช้เงินใช้ทองเ้าก็อยู่กลุ่มของเขาแค่นั้นเองคือมีการปฏิบัติข้อบงัอบงคับบางข้อที่ไม่เหมือนกันเขามีความเห็นแตกต่างกันไปคล้ายๆแต่ไม่เท่าแน่ใพกาหลังคนต่างประเทศเนี่ยก็จะศึกษาลึกกว่าเราชาวพูดกันรเราชาวพูดธไม่ค่อยสนใจที่จะศึกษากันก็พ ไปไหว้พระหรือเปลาไมไปไหว้พระเนีไปขอเอใช่เพราะว่าเรามันไม่ศึกษากันเราทํากันตามความเชื่อกันทำควางเชื่อที่ผิดผิดกันมาฝรั่งเขาศึกษาพระไตรปิฎกเขาศึกษาคําสอนพระเจ้าเขารู้มากกว่าเราเราก็ถามเราเราเป็นเจ้าของศาสนากลับตอบปัญหาเขาทําเขาไม่ได้ครับเพราะเราไม่ศึกษากัน ไปอ่านพรไตรปิฎกไปบ้างก็แบใช่ไหมใ่ค่ะแต่เดียนที่จะขออนุญาตอ่านเอ่เาฟอริสเดซนาขาม่มหนึ่งมสองใส่ใส่ให้ได้ ที่สาวที่อ่านก็นั่นนี่เป็นซีดีอาจารย์อ่านแล้วเหรอกันก็อยู่ในอยู่ในว่าตามันตานีมเข้าไปในเว็บไซต์ว่าตามันตามเป็นเสียงเราไแต่แต่อันนั้นยังไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตามที่ก็เนี่ยเหรอก็เอามาจากที่เราอ่านเนี่ยมาทําเป็นหนังสืออีกทีอ๋อแกิเป็นหนังสือท่านอาจารย์ไม่ถึงเอ้ คือรู้เข้าใจว่าอันที่อ่านนั้นคือก่อนที่จะคือตั้งแต่ตั้งแต่สมัยก่อนนี้ก็มีนค่ะแต่ว่าพอเป็นหนังสือนี่คือทํามาเอดิตใหม่อที่เอดิตใหม่ไม่ได้อ่านนะฮะเป็นของเก่าก็คล้ายๆกันเพียงแค่ว่าถ้าอยากจะอ่านใหม่ก็ได้ถ้าอยากจะขยันอ่านใหม่ก็ได้ไม่ว่าอะไรไม่ไม่ได้จะอ่านนะแต่ว่าเห็นจากพี่สาว ก็อยากจะอ่านได้ก็ดีๆให้ก็ลองทําไปได้ไม่ห้ามเออลองจะถามมหาเรียนถามว่าถ้าเกิดการบริกรรมให้จิตกับพุทโธคือจะจำมาแล้วเราจะเจริอนสติไปด้วยนี่คีอก็เหมือนกันบริกรรมนี่ก็ถือว่าเจริญสติแล้วคือเป้าหมายก็คือไม่ให้คิดเท่นั้นเองถ้าเราอยู่กับพุทโธแต่บางช่วงเราไปดูกัน ได้สลับกันได้ได้เปลี่ยนได้กพร้อมกันได้ไหมคะก็นล้วแต่เป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดฟุ้งซ่านคือถึงจะพร้อมกันก็ไม่เป็นไรถ้ามันออกมาเองคือทั้งเห็นทั้งการเดินนั่งนอนแล้วก็การบริการได้อได้ก็คือไม่แนปฏิบัติถูกไหมอ่าเขาเป้าหมายก็คือให้ควบคุมความคิดไว้ไม่ให้คิดด้วยเปื่อยแม่คิดฟุ้งซ่านถ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับการกระทําของร่างกายมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ ดีเป็นพักๆก็ก็ไม่เป็นก็มันบางช่วงก็เราทำเพราะเราทําเป็นพักๆบางช่วงเราก็ไม่ทํำพอไม่ทํามันก็ไม่ดีพอทํามันก็ดีมันก็ว่างมันก็สบายพอไม่ทํามันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็พุ่งสร้างขึ้นมาวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเราเว้นหายไปนานมันก็จะเหมือนการเริ่มใหม่เลยค่ะหรว่ามันก็ทําให้มันมันก็เหมือนกับว่ากินแล้วหยุดหยุดแล้วกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อิ่มสัที ต้องกินแบบไม่หยุดพออิ่มแล้วมันก็มันก็หยุดเองได้กินคำสองคาแล้วก็ไปเล่นแล้วกลับมากินอีกคำสองคำอย่างเงี้ยมันก็ไม่อิ่มสทัทีถ้าจะกินให้มันอิ่มก็นั่งกินไปจนกระทั่งมันอิ่มกินไม่ลงปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าพุโทโธต้องพุโทโธไปจนกระทั่งควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ก็สบายแล้วทีนี้พอจะคิดไปในทางไม่ดีก็หยุดกันได้ พอจะโกรยก็หยุดมันได้พอจะโลด ก, ก็หยุดมันได้เนี้ยสติมีมีคุณประโยชน์มากเป็นเหมือนเบรครถยนต์ถ้าต้องการให้รถยนต์หยุดจะทํางานก็ต้องเหยียบเบรคไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเหยียบปั๊บแล้วปล่อยมันก็วิ่งต่อไปถ้าเหยียบแล้วปล่อยมันก็วิ่งพอเหยียบมันก็หยุดมันก็ช้าลงพอปล่อยมันก็วิ่งไปถ้าอยากจะให้มันหยุดนิง่งแล้วก็ต้องเหยียบไปจนกว่ามันจะหยุดนิง่งถึงจะปล่อย ถ้าอยากจะควบคุมความคิดให้อยู่ภายใต้คําสั่งของเราก็ต้องพุโทโธไปเจนกว่าจะสั่งมันหยุดก็ได้สั่งมันคิดก็ได้เข<อ>้าใจไหออนี้มันยังมันกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างอื่นก็ได้เปลี่ยนจากพุโทโธเป็นบทสวดมนต์ก็ได้เป็นอาการสามสิบสองก็ได้เข้าดูร่างกายบ้างก็ได้เข้าดูการกระทําของเราได้ทั้งนั้นเน่ยขอให้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองคือเป้าหมายของการการกา ร, การเจริญสติ ทําไปเถอเดี๋ยวก็จะเห็นผลเองนะไม่ยากยากตรงที่ไม่ทําถ้าทําเราจะไม่ยากยากตรงที่ทํานี่มันไม่ยอมทํากันทํากันได้ครับแค่สองสามนาทีก็เลิกแล้วเบื่อแล้วขี้เกียนจนะอาจารย์